50 languages. 5การไปทำธุระที่ฉันอยากไปห้องสมุด ที่ฉันอยากไปร้านขายหนังสือนาหนูพุตกกสตคดอังกดิเกะฮโวกัลลูอิสตดดุตที่ฉันอยากไปแผงขายหนังสือพิมพ์นานูดินัติกลาก ด, ยยดิเกะลอิสตดุตที่ฉันอยากยืมหนังสือน้านูบุนดุพุสตกวาณ น, นูเยราวาโลตึตกิดุคอลลุต ดิฉันอยากซื้อหนังสือนานูวุ่นดูพุสตากวรรณูคุณดูคุณลุเตเน่ดิฉันอยากซื้อหนังสือพิมพ์นานูวุ่นดูดินาพัตริกเกอคุณดูคุณลุเตเนดิฉันอยากไปห้องสมุดเพื่อจะไปยืมหนังสือนานูวุ่นดูพุสตากวรรณูเยราวัลูเทกิดุคุณลัลูกรันต a ลายกเกอฮกุตเ ดิฉันอยากไปร้านหนังสือเพื่อจะไปซื้อหนังสือนนวนันพุสตากันนู้คนดลลูวัพุสตกดกดีุต เ, เนดิฉันอยากไปแผงขายหนังสือเพื่อจะซื้อหนังสือพิมพ์วัดูริกเกอคลลูนา น, น ด, ดินาตเกตเก า, กาเดีุตเเนดิฉันอยากไปร้านแว่นตา น้าหนูขนนระคะดาอังกดีเกะฮกุตนดิฉันอยากไปซูเปอร์มาร์เก็ตน้าหนูซูเปอร์มาร์เก็ตเก u ฮกุตเดิฉันอยากไปร้านขายขนมปังน้าหนูเบกอรี่เกะฮกุตเนดิฉันอยากซื้อแว่นตานานูวุุขนนระวันนู้คลบกู ดิฉันอยากซื้อผลไม้และผักนานูฮั น, นูธระการิกลันโน่กุลลาเบกดิฉันอยากซื้อขนมปังนานูเบรดมัตโต้บันกลันโน่กุลลาเบกุดิฉันอยากไปร้านแว่นตาเพื่อจะซื้อแว่นตาวันดูคนนักกวันนุกุล ล, ลูนานูคนนกกวังกะดิเก้ฮกุตเเน ดิฉันอยากไปซูปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อจะซื้อผลไม้และผักั น, นตรรการิกนโค ล, ลลูนานซูปมาร เ, เก็ตเเุต่ดิฉันอยากไปร้านเบเกอรี่เพื่อจะซื้อขนมปังบรดมัตตุบันการันูนคุลลูนานโเบคลลลนนบอกอรี่เกะโกุตเตเน